รพระอุบลว น, นาเถรีพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบพระอุบลว น, นาเทรีโดยสมัยอื่นมหาชนสนทนากันในโรงรรมว่าพระกีนาศพทั้งหลายเจ้ารอยจะยังเสพกามก็ทำไมจะไม่เสพละ่ะพระท่านเหล่านั้นไม่ใช่ไม้ผูกไม่ใช่จอมปลวกยังมีเนื้อและสรีระสดชื่นอยู่ พระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีนาศพทั้งหลายคือพระอารหันต์นั้นย่อมไม่ยินดีในการมสุขไม่เสกกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ําที่ตกลงบนใบบัวย่อมไม่ติดไม่ค้างอยู่ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียวฉันใดอันหนึ่งเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลม ยอมกลิ้งตกไปทีเดียวชั้นใดแม้กามทั้งสองอย่างคือกิเละสะกามและวัตถุ ก, กามยอมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระกีนาศพฉันนั้นดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กหลาฉันนั้น เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละ